บุ Book ๊ออกทูหกสิบสี่สี่ร้อยหสการปฏิเสธหนึ่งเบนเกิล์ผมไม่เข้าใจคำสับ่บ <can> ผมไม่เข้าใจประโยค ผมไม่เข้าใจความหมายคุณครูล่าเรอร์รอคุณเข้าใจคุณครูไหมครับคุณรเข้าใจลรไหมครับผมเข้าใจท่านดีใช่ผมเข้าใจท่านดีใผมเข้าใจท่านดี คุณครูอ <on> คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ Can u r s t e Innen ครับผมเข้าใจท่านดีผ yeah. ผู้คนคน <Fol k. S 1> คุณเข้าใจผู้คนไหมครับ Can folk? ไม่ผมไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ครับไม่ฉันไม่เข้จพกเดีเทเพื่อนหญิงแฟนคู่รักคุณมีแฟนไหมคุณมีแฟนไหมครับผมมียช yeah. Yeah, ลูกสาวแต่ทรนคุณมีลูกสาวใช่ไหมฮาดูินแต่ต้อไม่ผมไม่มีลูกสาวเนย์ที่มีฉันไม่